เมื่อวานเรา <c oughs> ได้ฟังจากพระอาจารย์ไพศาลช่วงสวดมนต์ข้ามปีก็ได้ฟังหลวงพ่อคำเขียนก็เป็นพรปีใหม่จากครูบาอาจารย์วันนี้ก็จะได้นิมนต์พระอาจารย์ทรงศินลให้พรปีใหม่กับพวกเราบ้างท่านจะอยู่กับพวกเราอีกวันสองวันต้องกลับไปธรรมกิจศินลนก็ ตั้งใจรับฟังสิ่งที่เป็นสารบประโยชน์เพื่อที่จะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปขออนิมมทนครับขอโอกาสเพื่อนสาธรรมิกเจริญพรยังคุณแม่ชีนยธรรมผู้ชายผู้หญิงทุกคนทุกตั้น ก็ทมองมองหาดูก็มันไม่มีคนเก่าอะเวทเก่าเก่ากึกอะที่นั่งอยู่ในนีนไม่มีมันก็มีแต่คนที่มารุ่นหลังๆแปลกหูแปลกหน้ามามากลายเป็นคนแปลกหน้านะเอางันดีกว่ามารู้วก็เกอเขืนๆเวลาเดินอยู่วนนี้มันไม่คุ้นเคยอยู่มาจะยี่สิบปีฮะแต่ไม่คุ้นหน้าคนโดยเฉพาไปที่ร้านปฏิบัติ มันก็ไม่มีใครเลยอ่ะกลางวันมันหายไปไหนกันหมดไม่รู้แต่รถจอดนปทมบัสมาเจอทีรถบางคันออกไปแล้วแต่ว่าโยมก็ยังหนาตายอยู่แต่ก็น้อยกว่าเมื่อคืนก็อย่างที่บอกตอนต้นว่าเวลามาแต่ลครั้งเนะี่ยบางทีมาถึงเนะี่ยมาวัดก็ยังเห่า นะมาวัดเห่าเลยนะไอตัวขนปุยๆเนี่ยนะเดินมาตะคุ่มตะคุ่มคืนมันจำไม่ได้เห่าตองเ้ยขอญาตเดินหน่อยนะขอญาตขอญาตไม่ต้องเอาก็ได้นะอ๋อปเปล่งเสียงปับก็คุ้นขึ้นมาเป็นอย่างนั้นทีนี้พวกเรามาทำอะไรกันนะอากาศเย็นๆมาสัมผัสอากาศเย็นใช่ไหม วันนี้จาไปสารหลังจากลงโบทเสร็จ <c oughs> วันนี้เป็นวันพระท่านก็สานมาจากภูหลงที่นี่ก็เป็นวัดที่แปลกเจ้าวาดก็อยู่อีกวัดหนึ่งรองเจ้าวาดก็อยู่คือวัดหนึ่งพระวิปัสสนาก็อยู่คือวัดหนึ่งนะพระผู้ใหญ่ก็ไปไปมามากันที่นั่นก็แปลก มันมีรูปขอรูปพร้อมเขียนตั้งอยู่ตัวก็ไม่อยู่เมื่อคืนก็มีแต่เสียงไม่เห็นตัวนะแปลกไหมให้พรพี่ใหม่ผีให้เรามาคืนคนตายให้ฟังเสียงเอาแล้วก็มาเช้ามาก็อ้างตอนกินข้าวบอกว่าเออพอรมันขอกันไม่ได้ไม่ว่า พรภาษาไทยหรือพรภาษาอังกฤษขอกันไม่ได้รู้จักพรภาษาอังกฤษไหมพีโแปลว่าอะไรพรโดยขอสิริดูสิริจะบอกคนทีว่านิสัยไม่ดีพภาษาอังกฤษเพราะนั้นไม่ขอใครก็หลกพรทำความเพียรอย่างที่หลวเจ้าทําดีกว่าไหม ทำความเพียนอย่างที่เราเห็นคนที่มีความสำเร็จก็ทำกันดีกว่าไหมก็ทำอะไรก็เพียนคนที่เป็นหมหาเศรษฐีก็เพียนหาเงินเพียเก็บเงินมีสลึงเพิร์มันจบห้ครบบานเยอขาดสิ่งของต้องผสมก็มีน้อยใช้น้อยๆ อ, อยเป็นจงจะจ่ายลงให้มากมันจะยากนานอย่างนี้ ที่ระยองธรรมกิตาสินมันมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งก็เป็นคนงานชุดใหม่ที่เข้ามาเขาก็มีลูกอยู่สามคนก็ไอยพระเลี้ยงสามคนนะนะ่ะลุงสามคนนะจนโตไปเป็นทหารละคนบวชเรียนเปลี่ยนสไม่จะเปลี่ยนสี่เปลี่ยน6ด้วยละ่ะ เสร็จแล้วก็ใช้ความรู้ทางด้านการบวชไปเทียบเอาก็เป็นทหารไปแล้วศึกมาจับทหารเป็นทหารยศจ่าโทจ่าสิบโทคอยขับรถให้ในพลให้นายทหารครับก็ออกรถเล็กๆอยู่คันก็ค่อยๆผ่อนไปเงินเดือนทหาร คนที่สองก็เรียนอยู่ม .5 ให้เก็บ p อ e s ช f o o ฟุตเรือกระทกลกยักษ์ให้เก็บเพื่อไปขายแล้วก็เอาเงินไปเรียนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลงเขาเบรมือก็หวัวทิ่มปากเจอฟันหักไรีย้แนละ้วช่วยตัวเองส่วนลูกสาวคนเล็กตอนนี้ก็เอาเข้าโรงเรียนอนะนุบาล อยู่ของเรีอนุบาลเพื่อข่าวดอาทิตย์หนึ่งส่วนตัวเองก็เป็นหนี้เป็นสินมากเป็นหนี้ในเพราะทกศนี่เยอะ4 0 0แสนไฟแนนซ์อีกเมินเอารถไปจำนองเอาไว้เข้าไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยเดือนก็หลายตังค์มเดือนจ่ายทีไม่ใช่เดือนต่อเดือนจ่ายทีเป็นก้อนเป็นก้อน ผู้ชายในฟ้าขึ้นดำพิษปีมันเครียดก็เลยบอกว่าถ้ามีประสบการณ์การปลูกต้นไม้เก่งดูแลต้นไม้ได้ก็ไปไ ป, ปอยู่ไปอยู่ก็ต้องทําใจนะเวลาพระอยู่ก็ได้กข้าวคนบาทน่ะล่ ะ, ะตอนเช้าไปบิณนดาบากับพระเนี่ยอย่าไปคิดเงินตื่นเช้าตีสี่ตีห้าแล้วนะทำมาหากินด้วยกันเดินตามพระช่วยแบกอาหารหน่อย แล้วก็พอกินข้าวเสร็จสองโมงเช้าก็ให้ทํางานเลยนะนะนะคือเงินของเราละสองคนตกเดือนละสองหมืกว่ากินฟรีอยู่บ้านฟรีค่าน้ํากับไฟฟรีพอไหมโยมพอไหมพอไหมพอเสียโยมสามปีเงินหมดปีละสองแสนสาปี ก, หก็ห 0,000 ส 2, 2, 4, 2, 3, 6 อ, ส, อ, ส, อสี่ ส, สาแสนทำไมยัไม่พอไเป็นหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้อะไรที่ไหนวิใจัยให้หมดพอแต่ต้องอดทนนะหน่อญ่เออนอนตื่นสายอายทำกินหมิ่นเงินน้อยคอยโฆสนาต้องทะยันบอกเขาอย่างนั้นเริ่มดูแลเขาก็เริ่มมาใช้ครัวใหญ่ทำมาหากินนึ่งขเดนียวมีของอาหารเย็นทอดไข่เจียวให้โลกนะ ทำนีอะไรบอกเฮ้ยเฮ้ยอย่าทําอย่างนั้นอย่าใช้ครัวร่วมกันของเรามาอยู่ข้างนอกนู่นเรามาเป็นลูกจ้างเราเป็นมาด้วยศรัทธามันเป็นลูกจ้างรู้จักลูกจ้างคนอยู่ที่ไหนจะมาอยู่มั่วข้างในทําครัวข้างในกินอาหารอยู่ในเขตปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอาหารเย็นกินกันหรอกนี่ใครมานั่งก็กินอาหารเย็นมัง่งยกมือขึ้นยกมือ ใครไม่ได้กินอาหารเย็นมึงยกมาขึ้นหมายถึงว่าอุ่นให้มันร้อนก่อนใช่ไหมแล้วกินตอนเย็นอากาศเย็นไขมันจับตัวนะไอ้ที่ไม่ยกมือเอนีไม่ได้กินว่า ห, หนูอมๆดุดๆเอาอย่างนงี้เปล่าถ้าถามตัวเองดูเดยวมาทำอะไรอะ่ะใช ทีนี่เรามาปฏิบัติธรรมมมาอยู่วัดอยู่วากันมันเป็นอะไรที่เราจะต้องฝึกหัดสอนตัวเองกันไม่ได้หมายถึงว่าเราปล่อยตามปล่อยกันวันนี้พระก็ลงปฏิโมกกันวันนี้เป็นวันพระทุกครั้งที่เป็นวันพระพระก็ลงปฏิโมกกันเข้มาก็คุยก็โยมเพลินโยมไปนั่งสนทนาหมอขอ ก, กลัวหมอ โยมยิ้มเลยกันละโยมกินข้าวเย็นกันใช่ไหมหรืองไงที่นี่ยจริงมาเมื่อก่อนจะเข้มมากนะโยมถ้ามาเงี้ยมาคุ้มหมดเลยบอกเลยคุ้มเลยไม่ได้กรดีกันเลยจะปีใหม่มากี่คนเนี่ต้องเข้ามาที่เนี่ยมาเรียนเรื่องกรรมฐานกันมันไม่ได้เดินสเปนสป ะ, ะมาก็มีความรู้สึกต้องปรับตัวข่าวโยมอะอยากทําอะไรทํากันไปจะทําอะไรก็ทําไปมาก็นึกถึงถ้าหมดหลวงพ่อไป อีกสักสปีมันจะเป็นอย่างคำตำนายของหลวงพ่อเปล่าเช่นล้างไปหมดเลยวัดป่าล า, ามไม่มีคนเดินจงกรมนะไม่มีคนปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติกันวิธีการต่างๆที่เนี่ยนะวัดป่าสุกโตเราฝึกกันแบบวิธีการแบบแนวเคลื่อนไหว 1- นในหวิธีที่สามารถเผยแผ่ได้ทั่วโลกนะหนึ่ใน5วิธีสามารถเผยแผ่ได้ทั่วโลกมันเป็นวิธีการที่ ถม้มีวิธีการเนี่ยามาไม่มาหรอกวันเนี้ยอากาศดีไม่ได้สนใจน้ําดีมัไม่ได้สนใจพระเทศเก่งมา ก, กไม่ได้สนใจสนใจว่าตัวปฏิบัติฝึกการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนั่นนีเราพ่ อ, ขอเขียนที่ท่านแสดงออกอยู่เมื่อเกินเอามาไม่ได้ใจมาเปิดอาจจะเข้าใจสักกี่คนตอนช้ามาไม่ได้ใจไม่ได้ดูถูกคนฟังอนะแต่บอกเลยถ้าไ ม, ม่ปฏิบัติมันฟังไม่รู้เรื่องไม่มีอารมณ์ปฏิบัติเนี่ยฟังแล้วเครียดเลย ฟังอาจารย์ไปสายน่ยจะเลื่อนหูไปเลยฟังแล้วมีความสุขบอกงี้เลยนะแต่พอพูดถึงอารมณ์ปฏิบัติมันยังงงไม่มและมาก็เลย ม, มีความรู้สึกเหมือนกันวถ้าจะพูดแต่ละทีเดี๋ยวนี้มันต้องเปลี่ยนคำพูดแล้วมั้งาการเจริญสติแต่มันก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าอย่างที่วันนี้อาจารย์สมใจทักเอาไว้ว่าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านให้พรพี่ใหม่ หรือพูดเรื่องสติอชัดจริงๆพวกเรารู้ไหมพระระดับกษัตริย์ที่ปกครองสงฆ์พระลาชาของสงฆ์ก็คือองคสมเด็จพสังฆราชนะท่านใส่ใจนะรระเบียบวินัยเรื่องการฝึกสติจเจริญสติทําไม่ได้มาพูดถึงเรื่อง ท, ทาบุญทาทานรักษาศีลอะไรมันอ้อมไปโคตรไปโค้โคงมาเพื่งการฝึกสติทุกคนลองพูดดฝึกสติ ไอ้ที่พูดเนี่ยพาไม่ได้บังคับพูดจะม่โยมเรามาฝึกสติกันด้วยใช่ไหมนะการนั่งการเดินการยืนการนอนมีสติอย่างนด้นจริงสติปัฏฐานนะีคือมันไม่ได้ลืมตัวนะแต่ลืมนัดน่มีอยู่สมองจริงก็ลืมและลืมหน้าคนชื่อคนมันลืมจริงอันนี้นมีอยู่แต่ลืมน้๊ลืมตัวนะ่ะโอกาสที่จะไหลไปตามความคิดไหลไปตามอารมณ์มันก็ยาก ถ้าจะมีอารมณ์ก็หยิบ ม, มาใช้นะมีสติติจากจังหวัดระยองเกิดมาเดี๋ยวนี้ไปไหนไปขึ้นเหนือล่องใต้ก็จะไปกับขนส่งจังหวัดจะเตรียมคนขับรถมาจะเตรียมรองขนส่งมาแล้วอะไปส่งทั่วไปหมดเลยขนส่งระหว่างวันนึงกลับจากแพร่ลงเครื่องดอนเมืองเขาก็บอกว่าโอ้ผมเนี่ยต้อง เข้าไปทำงานแล้วก็เข้าเวรต่อช่วงนี้เป็นช่วงรัฐบาลห้ามตายแล้วก็ ส, ต, สติจังหวัดระยองนะตายเป็นแบบหนึ่งของโลกนะโยมไม่ใช่ของไทยนะของโลกอุบัติเหตุเยอะจริงๆคนเครียดกันแล้วขับรถคนเครียดกันแล้วก็ทำงานใช้ชีวิต กลับถึงบ้านก็ไม่มีการลีลักไม่มีการกลับมาพักผ่อนหย่อนใจนะ่ไอ้ที่เรียกว่าพักผ่อนหย่อนใจก็คือไปกินอาหารอร่อยๆหลังเลิกงานนะเดินห้างช็อปปิ้งนะแต่ว่ามันไม่มีเรื่องการเจริญสติฝึกสตนะิถ้าไปพูดเรื่องนี้กาหัวล้อย่ะเอานะอย่างเราพ่อเขียนกคไปพูด รู้จักหลวงพ่อขียดไหมโยมที่นี่ลองถามนี่นใครรู้จักหลวงพ่อขียนมั่งยกมือขึ้นเอามือลงท่านใดไม่รู้จักหลวงพ่อมเขียนยกมือขึ้นและไอ้ที่ไม่ยกอใครไม่ยกยกมือขึ้นโยมไม่คนนี้เขายกอยูออ่ไม่รู้จักจริงๆก็จะแนะนําไม่ใช่ไร ดหลอมเขียนบลวอมเขียนบอมเขียนคือใครอ่ะเออใครที่รู้จักฮะลองบอกเพื่อนที่อยู่ข้างก่อนนะก่อนที่จะพูดอะไรต่อไปอบอกเขาหน่อยนะอะใครไม่รู้จักบลวอเมเขียนยกมือขึอน้นเออใครที่อยู่ข้างๆอ่ะบอกเพื่อนทีงมีเพื่อนก็ไม่ก็ยกมือมาเกี่ยวไม่รู้จักจริงอ่ะบอกก่อนบลวอมเขียนคือใคร ยมยมรู้ยังว่าหลวงพ่ อ, พอเขียนคือใครที่ยกมือเมื่อกี้ว่าไม่รู้จักฮะรู้ยังคือใคระโอ้ใช่ใช่ใช่ใชเออเอออโอยสาธุหลวงพ่อเขียนคือหลวงพ่อคำเขียนถูกแล้วละเห็นเหรอ ท่านและแม่เป็นปรมาจารยนะ์คือหลวงพูทเทียเนยเป็นปรมาจารย์ทางด้านอิสานตอนบนเรื่องการเจริญสติให้รู้ว่าเป็นปรมาจารย์ปัญญาชนน่ยท่านฝึกในประเทศนอเวเตสทีนี้หลวงพ่อเขียนเป็นสิทธิ์ที่ท่านถูกหลวงพูทเทียนชี้ว่าถ้ารู้อย่างนี้จริงๆนะให้มาช่วยกันสอนคนมียนางหนึ่งหลวงพ่อเขียนจับไมเทศแล้วก็บอกเอหอหลวงพ่ทเทียนน่ยนะจับไมเท้ หลังจากเี่มความเกลียดนะท่านบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, ผมห ม, หมดเนื้อหมดตัวแล้วครับหลวงพ่อผมนั่งอยู่ผมอาไรอาไรที่มันจะไม่ได้ใช้รูปธรรมนมธรรมทำชั่วทำดีอะไรอีกเนเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยผมอาไร่ผมจะได้ไปล่อยวางมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกอาไรเลยลหละมันว้ามันเสียาดายที่มันไม่ได้ใช้กายใจอยู่แบบโลกโล้อีกแล้ว มันอิสระทางจิตวิญญาณพ้นทุกมันมีสภาวะหนึ่งนีมันแบบบอกแบบนั้นตอนได้สองปีกับแเดือนท่านฝึกเจลสติหลวงปู่เทียนก็นบอกเฮ้ยบาแล้วบ้าแล้ ว, ลวเฮ้ยกลับมาหาความรู้สึกตัวเนี่ยตัวนี้เนี่ยอย่าไปอยู่กความอาลัยในธาตุขันธาสีขันธ์นะตอนเย็นกก็บอกเออทองคำเกิดขึ้นในวันล เราก็ก็คือหลวงพ่ออมเกียนเทศบอกกับพระแล้วก็บอกหลวงพ่อเกียนถ้ารู้อย่างนี้จริงๆนะให้มาช่วยสอนคนอย่างที่เนี้ยท่านสร้างเนี่ยหลวงพ่อเทียนไม่ให้สร้างนะวัดป่าส โ, โตเนะี่ยหลวงพ่อเทียนให้ไปดูนูน่นวัดสนามในให้ไปดูนู่นทับมิงขวัญนีทับมิงขวัญนะทนนี่อยู่เมืองเลยนะออสนามในอยู่กรุงเทพให้ไปดูนูน่นวัดโมกยู่ขอนแก่น ให้เลือกเอาจะอยู่วัดไหนก็เอาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเขียนนะบอกว่าเออระดับหลวงพ่อเขียนล้วต้องมันยิ่งใหญ่กว่านั้นต้องทำเองนะก็มีวิสัยทัศนะ์วิสัยทัศน์ตั้งแต่ 3-40 ปีก่อนวันนี้50ปีสกตุโตจะเอาที่นี่แหละให้คนเมืองคนที่มีปัญญาได้มาใช้กันมาใช้มันก็เป็นจริงนะตหลังเห็นมีแต่ปัญญาชน มีแต่คนเมืองคนกรุงเทพเนะี่ยมาใช้กันวัดป่าสโสนะุเพราะฉะนั้นเราไปใช้ทําอะไรกันดีนะหลวงพ่อขวชีว้ว่าเออที่นิมิตคือสถาบันสติปัฏฐานนะเป็นเรื่องของในใจเราต้องมีสถาบันเป็นที่พึ่งแล้โดยว่าสถาบันสติปัฏฐานนะนะก็เชื่อว่าปีใหม่เรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยสติโนะดยการฝึกจิตของเรา ร่วพักกายพักใจ ต, ตากทำทำงานทำความดีหาเงินหาทองมามๆก็บัดนี้ก็มาพักผ่อนสักวันสองวันโดยการให้จิตของเราออกมาจากความคิดจะออกมาจากอารมณ์ได้พักวันทีทำงานต้องบีอารมณ์ใช่โยบวอารมณ์ที่นี่อยู่มาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อแอมสวรรั์เคยมีลูกศิษย์คนหนึ่ง เขาลองเพลงเป็นนักร้องก็เรียนจบเมืองนอกแต่ว่าไม่ได้ทำงานที่เรียนจบมานะสมัยนั้นนี่เขากำลังเจอพระเอกปีนหนักมือหนักซอมเขาชื่อจุดจุดจุจดกันแล้วกันเขาเรียกกันสัตสัตเจือแล้วมีก้างหลังต่อสัตอะไรเอ่ย บอกอะไรเชื่อสัตวัดนะ่ยนะสัตว์มาวัดสัตยูวัดนะสัตตวัดเนะป็นลักษณะที่ตบตีก็เพราะฉะนั้นเวลาเขาไปร้องเพลงเนะ่ยไปทําให้คนอื่นมีความสุขแต่ตัวนักร้องเองไม่มีความสุขเลยเขาต้องบิวอารมณ์กินเหล้าก่อนขึ้นเวทีหลวงธีก็เล่นยาก่อนขึ้นเวทีแล้วก็ขึ้นเวทีก็ถามตัวเองว่าตัวเองทําอะไรอยู่ต้องการแค่เงินของเขาทํา ง, งานไม่มีความสุขเลย ตอนหลังอาหารมาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วก็มาที่นี่แหละประมาณสัก2วัน3าวันได้ผลเลยแนะพาเดินขึ้นเขาดูที่ว่าความคิดมันจะเกิดตรงไหนเรื่องอะไรพาเดินขึ้นเขาไปหลังจากพาเดินขึ้นเขาเสร็จเนี่ยไปพักอยู่กุฏิ13บามเมื่อก่อนนี้ขยันมาใครมาก็พาเดินใครมาก็พาเดินขยัน อยกางนี้เขามีหลักของการปฏิบัติธรรมหลังการเจริญสติทำไมมีพรแล้วจะได้เป็นผู้ที่มีกำลังใจเขาก็เกิดการเห็นกันมาจริงๆก็ฝึกหลายวิธีการพุทธโธยบหนอพองหนอสัมมาละหังมากมายแต่พอวันที่เขาเดินไปเห็นความคิดนะคือฝึกสติรู้สติเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยรู้สึกตัวไปเฉยเฉย ตอน่นั้นมาเขาก็โพสเลยนะใจวิสติอยู่กับกายพลรตัตกาปกติของเล็บศีลได้เห็นความคิดนะหลังจากที่ได้ทำกรรมฐานนะที่วัดป่าสุกโตเขาเอ่ยชื่อพระอาจารย์ทรงศิล น, นั้นบนาะันว่าเออเ้ยตะโคนมาได้ประโยชน์แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง็มันไดในจิตในใจมันทำให้เรารู้สึกว่าเอองานการก็เรามีคุณมีค่างานศาสนา หรือวันนี้ได้พูดคุยกันะตอนนี้คนที่อยู่กับเราไม่ได้มานั่งอยู่นะก็ระดับศาสตราจารย์เกียรติคุณนะสูงสุดแล้วศาสตราจารย์ยังไม่พอยังมีเติมห้อยรายเปเกียรติคุณทํางานก็เร็วสูงที่สุดในเมืองไทยก็อยู่ที่นะี่ะวันนี้เมื่อกี้ก็ไปคุยกันนีกยังนึกถึงตอนที่ปฏิบัติแล้วก็ไปสหรัฐอเมริกายัางคุยประเด็นนี้ไปตอนนั้นพุโทโธอยู่ แล้วมันกําลังจิตมันไม่มีมันก็มาตรงแนวหลวงปู่เทียนว่าเออการออกจากความคิดรู้สึกตัวเฉยเฉยใจจะมีกับพลังขึ้นมาเกิดความเป็นปกติขึ้นมามันจะมาตรงจากจุดเนี้ยคำพูดเนี้ยเพราะฉะนั้นจะพุโทโธสัมมาหลังก็คือคิดทั้งหมดให้มารู้สึกตัวเฉยเฉยหนึ่งวันสองวันสาวันจะได้เห็นความคิดจะได้ออกจากความคิดแล้วเคยพิสูจน์กับแกด้วยนะ ผมเริ่มมาคือพิสูจน์กันแบบโดยยศาสตร์นะมาไปเดินรอบวัดกันก็พาเดินรอบวัดกําหนดความรู้สึกตัวไปเรื่อยนะปรากฏว่าหัวใจเต้นเบามากเลยเวลามีความรู้สึกตัวหายใจก็แผ่วมากเลยนะเหมือนกับมันเงียบเซลล์มันเงียบไม่ตื่นตัวอะไรทั้งนั้นอนะเซลล์มันคืนสู่ธรรมชาตินะมันจะตรงภาษาที่เราเตือนว่ามันจืด เหมือนกดกลนเด็กแล้วก็ยกมือขึ้นมานะี่ยมันจะจิตจืดพายกมือมาสักผ้ามันจะแดงว้าขึ้นมามันก็เหมือนใจของเรามันจิตจืดกระทบปับ๊บเนะี่ยรู้สึกจืดเจอถลนมาไหลค่อยๆลราอารมณ์เกลือนเข้ามาถ้าไม่รู้สึกตัวเนะี่ยเมื่อเราเดินรอบวัดมาเรามาจับชีพจรกันมาดูลมหายใจวัดอุณหภูมิกันปรากฏว่าชีพจรเต้นน้อยมากเลยตั้งแต่เริ่มต้นอย่างั้นเดินจบมาเต้นน้อยมาก หัวใจก็สบายสบายก็ลองนั่งคุยกันนะพอสองสามนาทีานั่งคุยเหมือนกำลังนั่งเทศอย่างเงี้ยมีการโต้อตอบกันคุยกันเค้นความคิดออกมาสักพักเดียวท่านน่าปรกากฏว่าชีพจรเต้นเร็วขึ้นมาเลยนมันเป็นความรู้สึกเอ้ยมันวัดได้ทางวิทยาศาสตร์มันวัดได้นะรดไดเราก็เลยได้เห็น อย่างเมื่อกี้มีหมาขึ้นมามีเสียงพลุจุดลูบ ร, รถกินเสียงขึ้นมาใจของเรามันเกิดความรู้สึกอะไรนะไม่มีความรู้สึกอะไรอย่างเช่นเราไปไล่หมาอีกคนกมีความรู้สึกโอ้โหไม่รักหมาเลยไม่เมตตาหมาเลยอะไรองนี้ยเป็นไปได้ไหมเวลานอนก็นแทบจะจูบแทบจะเลียกันนะหมารักมากเมตตามากอย่างหมาตัวนี้รู้ไหมรู้จักชื่อไหมชื่ออะไรหมาตัวเนี้ มิโตะญี่ปุ่นตั้งชื่อให้มิโตะบอกหมาของฉันเนี่ยน่ารักฉันฝึกให้เป็นหมาใจดีฉันฝึกหมาให้หมาล่าเริงตัวเนี้ยมันนอนอยู่ในกุฎน่ะในกุฏิครั้นี้คนญี่ปุ่นก็อยางว่าเนาะอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่มีการถ่อมเนื้อถ่อมตัวไม่มีการความรู้สึกอ่อนโยนนะไม่มีความรู้สึกว่า กายกิริยาอาการมือมันอ่อนน้อมมันไม่มีก็ยังว่าและ้ะแล้วก็เลี้ยงหมาด้วยแล้วก็เวลาพูดคุยก็ก็บอกว่าฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับคนต่างชาติคุยคืนควันค่อนวันคนเห็นก็มีความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบอะไรเงี้ยแลวเวลาตารูปรถกลิ่นเสียงของเราเนะี่ย มันกระทบอะไรก็ตามมันเราก็ต้องมีความรู้สึกตัวก่อนพอมีความรู้สึกตัวเสร็จนะมันมีหน้าที่ไหมเช่นมีการลเทศะไหมมีสมมติไหมอย่างเมื่อกี้ลงไปไลก่ก็ถูกถูกแล้วถ้าเป็นหลวงพ่อเขียนะเผือไมโครโฟนในรับปลวบอกให้นะอย่าน้ก่านหลวงพ่อเป็นคนที่นิ่มๆนุ่มนมนวลๆนะเพือเพอวิ่งมาไม่ขอปาลาเลย เป็นพาใจไรใช่ไหมเจ๊บเอาไม่ใช่นะอันนี้เราสอนเขาให้รู้จักกาละเทศะโยมก็ต้องมีกาละเทศะเดินสวนพระเนี่ยเดินตัวแข็งเดีย๋ยวหลังจะลองไม่หยบไม่หลบดูนะโดูเป็นไงนะเหมือนกัคบคบจีเอเอยคลิปจีนมีอยู่คนนึงคนจีนลองไปเืินกลางถานนรถหลบหมดแหละโย ก็เลยยืนอีกสักนาทีสองนาทีลงแล้วเป็สนาสามนาทีรถชนกระเด็นเลยโยมว่าถ้ามาไปยืนเดินไม่หลบก็โยมก็ต้องชนอธรรมกระเด็นแล้วแหละก็มาก็เลยไม่ค่อยกล้าเดินเพ่นพ่านสักเท่าไหร่อยู่ในที่เป็นขอบเป็นเกล็ดไปพอเดินไปเดินมาโยมก็เมื่อกรู้จักอธรมาแล้วเอา้าอยู่สหมทสภาพมาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเนาะจะเล่นบทบาท หลังจากทีมทำงานมาสิบกว ป, ปีตอนนี้เล่นประบาดอยู่ไปเฉยเฉยอยู่ไปวันวั น, ว น, นที่เนี่ก็แล้ว่าถ้ามันมีอะไรทํำอาหารงานทําไปเรื่อยเรื่อยที่ไหนมีคําสอนมีการปฏิบัติก็ฝึกสติเฉพาะฝึ ก, กที่ไหนไม่มีก็หนีที่นั่นแหละไม่มีประโยชน์ที่นี่มาไม่เห็นประโยชน์เลยถ้ามาไม่ฝึกสตินี่พูดแบบตรงไปตรงมานะทั้งพระทั้งโยมนะมันเห็นอยู่อะไรเป็นอะไรในช่วงที่เราฝึกหัดแล้วก็งานการมัน สมบูรณ์แบบนะขยายสล า, าจนนั่งได้สองสามร้อยคนทางเดินจงกรมมาร้อยแปทางเดินจงกรมให้คนเดินได้เป็นรนะ้อยมาฝึกมาหัดกันแต่เดือนนี้มันเกลอือไปที่ไหนก็ฝึกสติไปที่ไหนก็สถานธรรมเกลอือไปเหมืเปิดคอร์สกันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเพราะฉะนั้นก็เหมาะวัดป่าสุกตัวเราไม่คึกคักจนเกินไปนักให้พวกเราทุกคนนะนะจํานวนน้อยๆก็ได้มาฝึกตน้นสอนต้นกัน ก็เชื่อว่าโดยส่วนตัวมีความเชื่อมีความศรัทธาว่าถึงพวกเราไม่ได้เดินจงกรมแถวนี้ไม่ได้อยู่ให้เห็นก็เชื่อว่าอยู่ที่กุศถึงจะนอนก็นอนด้วยความเลือกตัวใช่ไหมโยมเจ็บป <c oughs> ่านามุตนานะโยมนะทิฏสามีสติอาการนอนเราก็มาทําวัดสวดมนต์กันหลวงปู่เทียนจิตสปวันนี้บอกว่าหลวงปู่เทียนเคยไปวัดทำแล้วก็ง่วงนอน ระหว่างปฏิบัติเน่วงมากเลยก็เลยไปนอนพอไปถึงที่นอนก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยนี่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ลุกขึ้นมาอีกพอเดินมันง่วงก็เอาหน้าเอาหน่อยหน้าอ่ไรเงี้ยก็นอนพอลงไปนอนอีกก็อา้าวเราเป็นบ้าอะไรแล้วเนี่ยพุดลุกพุดนั่งพุดนอนอยู่เนี่ยเอาอยากนอนก็นอนซะแต่ถ้าตื่นมาบัดนี้จะไม่นอนอีกต่อไป จแล้วท่านก็เดินจงกรมโยมภายในสองวันเดินจงกรมก็รู้รูปนามยังนั่งเห็นความคิดมาพักเอวจะด่งว้าขึ้นมาโยมเคยเห็นความคิดตัวเองไหมในขณะนั่งเดินยืนนอนก็เห็นไหมเคยเดินความคิดผลักหรือเปล่าเอาฟังเรื่องนี้นะเรามามีความเชื่อทุกคนในห้องเนี้ที่อยู่ในภายในสไลาอนแห่งนี้นเคยเดินความคิดผลักแล้ว เช่นเวลาเรานอนลงไปวางไม้วางมือนะวางขานะแล้วก็วางดีๆวางลมหายใจดีๆมันจะวิววิวววจิตตกภวังมันจะเลิมเลวันนี้ทั้งวันเราทำอะไรมาหรือว่ามีปัญหาเลยมันจะเลิมจตะวิ ว, ว, วตกผวังบุ๊ปอย่างนั้นนะถ้าหากว่ามีความคิดช่วงจิตตกภวังนะเกิดความคิดขึ้นมา มันจะมีการแวบและสะดุ้งงึกขึ้นมาเคยปะเคยปะเวียงเท้าวางเวียงมือบ้างเงี้ยเคยปะกระตกมีความรู้สึกกระตกขนาดนอนใครเคยบ้างปล่อยยกมือขึ้นสังเกตดีๆล่ะคือตัวความคิดล่ะมาสังเกตไปสังเกตมาเอานี่คือตัวความคิดมันเหมือนกับหลวงปู่เทียนนะที่โดนผลักขณะที่จิตเดินและมีสมาธิ เดินแล้วมีสมาธินิ่งรู้สึกตัวอยู่ไม่อยู่กับความคิดนะพอเกิดความคิดมีอาการรุนแรงนะอาการรุนแรงเราเห็นไหมเวลาทําบัตรสวดมนต์เราทำบัตรอยู่ดีๆม่นมีความคิดมาแล้วจิตก็กแวบลืมเนื้อลืมตัวไปมีไหมจากพุทธทางที่กระปวดเป็นธรรมบังจากธรรมบังกระปวดเป็นสังขังเลยปวดผิดไปเลยบางทีอาตมาเนี่ยสวดผิดตามความคิดเลยนะ มันไม่ได้สวดตามบทสวดที่มันมีอยู่ในหนังสือมันพูดไปตามความคิดเฉยเลยะขนาดนั้นเลยเนื่องจากความคิดกับจิตของเราเปน็นอันหนึ่งอันเดียวกันเดี๋ยวนี้มัจะคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้ น, นะจะไม่ดัจจดจริตประจำอะไรมามากม า, กายก่ายของอะไรที่มีประสบการณ์ใกล้ๆก็พูดรู้สึกสบายดีแล้วเป็นของจริงต่อไปจดจําเป็นสัญญาต้องเข็นมาพูดให้ดูดีอะไรมันเสียเวลาปวดหัว เพราะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกจนรู้ทันความคิดเห็นความคิดไม่อยู่กับความคิดแล้วสามารถจะมีสติหยิบความคิดมาใช้คิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำคิดแล้เอาประยชน์จากความคิดถ้ามันไม่ได้ตั้งใจก็เอาประยชน์จากการที้นี่แหละคือตัวหลงนะแล้วความคิดเรคือสมุทัยเหตุแห่งทโทษชอบหลงไปในความคิด เมื่อหลงคราง้งใดก็คิดแล้วกอดคิดแล้วโลภคิดแล้วหลงคิดแ ล, ะะละ้รักคิดแล้วกระชังเป็นอย่างนี้เป็นแล้วก็จึงมีความเพียนออกหน้าออกตาไม่มีใครช่วยได้หรอกชาติเนี้ยไม่ต้องหวงังไม่ต้องฝันแต่จะช่วยช่วยตัวเองให้ปฏิวัติธรรมมีสติเห็นกายในกายไม่ใช่สตัตรูตนบุคคลเราเขานะมีสติเห็นเวทนาสักจะว่าเวทนาไม่ใช่สัตัวตนบุคคลเราเขา มีสติก็คือรึกได้ถึงจิตในจิตมีจิตตัวเดียวจิตในจิตไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามีจิตที่เสเวยอารมณ์กับจิตที่ปกติเพราะนั้นจะต้องเห็นแล้วก็รู้สึกเป็นจิตในจิตไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้เห็นธรรมชาติรูปรสกลิ่นเสียงโพิตภัธรรมอารมณ์ภายนอกภายในสักสวาธรรม แล้วก็รู้สึกไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาตัวนี้มนจะค่อยๆให้คาตอบถ้าเราตั้งอกตั้งใจใส่ใจมีความเพียรลงไปเจริญสตินั่งเดินยืนนอนให้มีความต่อเนื่องรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องนะแล้วก็รู้ให้เป็นปัจจุบันตรงตามเทคนิคที่หลวงปู่เทียนได้บอกเอาไว้อย่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอย่าทำด้วยความอยาก อยากมาที่ตันหาพออยู่ประเทเดียวก็อยากกลับบ้านตันหาทั้งหมดนะอยากอยู่กุฏิประมาณนอนที่วัดป่าตัวตัวอยู่กุฏิแนละอยากออกไปนอนนั่นนี่น่ น, น, นอะไรพวกนี้นี่บางคนก็กลางเต็นตนะ์ในธรรมชาติไม่ขอที่พักกลางเต็นต์อยู่กัเราได้เห็นเรา ไ, ได้รักสบายแต่เป็นว่าเราได้อยู่กับตัวเองก็รู้สึกเราจะได้ฝึกตน้สนสอนต น, ต, นต่อไปแต่อมาก็คือ รู้ให้เป็นปัจจุบันขณะเวลารู้สึกเป็นปัจจุบันถ้าตั้งใจเคลื่อนไหวกระทบก็ตั้งใจรู้สึกให้เป็นปัจจุบันพอมันรับรู้ปัจจุบันมันเห็นปัจจุบันมันก็จะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วกันเนี่ยแต่มันกระจายชีวิตตามหน้าที่ของมันในแต่ละขณะต่อไปจะกินจะขับถ่ายจะอาบน้ําอาบท่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่ในแต่ละวันตื่นยันหลับ มันก็เก็บเกี่ยวความรู้สึกตัวทั้งในรูปแบบทั้งนรูปแบบทั้งในสถานที่ตอนนี้อยู่วัดป่าสุกตัวเดียวเบนต่อไปเราออกจากวัดไปมันก็ติดตามตัวเราไปากายอยู่ไหนใจก็อยู่นั้นสติปัฏฐาน4ี่ก็ได้แสดงตนแสดงตัวให้เราได้รู้จักปัฒ น, นาการก็ทำให้เราเกิดศรัทธาเกิดปัญญามีความขยนันเกิดความนิ่งสมาธิใส่ใจในการฏิบัติ นาทีสำคัญก็กคือเกิดสติปัฏฐานอันนี้มันเกิดสัมมาขึ้นมาสัมมากับสัมพุท ธ, ธกลับมารู้สึกตัวครั้งใดกันนะั่นแหละมันจะเป็นเรื่องที่ทําให้ชีวิตเรากลับคืนมาใหม่เกิดนวชชีวันเป็นชีวิตใหม่อยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามีชีวิตใหม่เราก็จะเห็นเป็นคนใหม่ๆทนะั้งๆอยู่ข้างๆเราเหมือนคนหน้าเก่าคนที่เราไม่ชอบไม่พอใจแต่พอเรามีสติขึ้นมาก็กลายเป็นคนใหม่ๆ มันก็เกิดมิตรภาพราบเรียบขึ้นมาเกิดการให้อภัยกันขึ้นมาไม่โมโหโกรธโศไม่อาฆาตขึงเครียดผูกโกรธปยาบาทเลยนะกลายเป็นดีกับเขาจนเกิดความเปลี่ยนไปแปลกไปตัวนี้ก็เรามีความผาสุกมากขึ้นเพราะเราไม่มองคนอย่างเป็นสตรอหรือเป็นคนแปลกหน้าพระเดน น, นี้ยังเขี่ยหน่อยเนาะว่าวัดป่าสุกโต ที่นี่นะไม่มีคนแปลกหน้ามีแต่ญาติมิตรที่เพิ่งได้มาพบหน้ากันฟังแล้วก็อบอุ่นแล้วที่นี่ให้ถือเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนที่เมื่อกีนเราก็ได้ยินที่นี่เป็นบ้านของพวกเราทุกคนเราก็เลยมีสิทธิ์ใช้สถานที่ฝึกสติได้อย่างเรียก ว, ว่าไม่ต้องมาขอใครแล้วก็มั่นใจที่นี่ไม่มีภัยแน่นอนอย่างนี้นะ ถ้าจะมีก็คือภัยที่เกิดจากความคิดของเรานะเพราะนั้นในมงคล38มสแต่เมื่อกี้เราสวดกันมาตั้งต้นเลยนะเสวนาจะพาลานั่งปันทิจานันจะเสวนาอยากคบคนพานให้คบบันลิตนะแล้วก็ท้ายสุดก็คือทำพระนิพพานให้แจ้งนะแล้วเมื่อเรามีพระนิพพานแจ้งแล้วมันก็จะไม่มีภัยในที่ทั้งปวงนะยอมถึง ความสวัสดีในทุกสถานนั่นะเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตของเราถ้าจะมีพรก็มีอยู่ตรงนั้นแหละไปไหนก็ไม่มีภัยเลยเพราะพระอราิยะนะที่เป็นพระอรหันต์ไม่มีภัยจะไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นอย่างนั้นเนาะอะไรวันนั้นพูดมาตอนนี้ก็ประมาณสักสาสินาทีเสร็จเสร็จเห็นว่าสมควรก็บเวลาแล้วล่ะในท้ายสุดนี้ก็ขอให้เราได้ เริ่มต้นมีความเพียนแล้วก็รู้สึกตัวจนทั้งสัมผัสกระธรรมสมควรแก่การวิบัติโดยเจนจากันทุกท่านทุกคนท่านเธอ